ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่26ก็คุยกันต่อจะขึ้นเรื่องสังขาวัตถุแต่ก็มานึกถึงเมื่อเช้าเลยแซกก่อนนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเจริญและความเสื่อม พูดถึงสังคมไทยที่ว่าก้าวเข้าสู่หลักการของพระพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาหรือเอาหลักธรรมมาใชย้ยังไม่ไม่ได้เท่าที่ควรหรือว่าบางทีก็ใช้เคว้ๆไปนี่นะอันหนึ่งก็จะเห็นได้จากการที่ว่าเราจะไปอยู่ใน ความเชื่อแล้วก็หลักคำสอนในขั้นพวกตำนานพวกชาดดกอะไรต่ออะไรเนี่ยมากแล้วก็คำพียุคหลังๆเช่นอย่างคำพีในสมัยสุขโขทัยก็ไตรภูมิที่เรียกว่าไตรภูมิพระร่วงมีอิทธิผลมาก เรียกว่ามงทยในยุคที่ผ่านมาอาดีตนี่คติเกี่ยวพุทธศาสนาที่เราเชื่อเราปฏิบัติเนี่ยไปในแนวนี้ในแนวของใจภูมิเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยในใจภูมินี่ก็เป็นคำพีของไทยเรานี่เองแต่ว่าเป็นการประมวลจากคำพี เก่า à, ซึ่งเป็นรุ่นหลังพวกคัมพีชั้นอัตกรถาดีการุ่นหลังๆเนี่ยมาใช้เราไม่เคยได้ใช้ถึงคำภีดั้งเดิมที่เป็นหลักแท้ๆพระไตรปิฎกคือเป็นพระไตรปิฎกในลักษณะที่ผ่านมาจากคมภีรุ่นอธิบายทีนก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เข้ามาวิจารณ์กันเรื่อง ความชอบธรรมของผู้ปกครองประเทศตามใจภูมิเนี่ยก็จะพูดถึงบุญญาธิการว่าพระเจ้านดินประมากษสัต ร, รนั้นเป็นผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อน <Yeah. S 1> ก็จึงได้มาเกิดขึ้นมาอยู่ในฐานะอย่างนี้เป็นกษสัตร หมายความว่าความชอบธรรมของพระองค์ก็อยู่ที่การที่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนแล้วก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ฝรั่งเขาก็ศึกษานี่รือพวกนักวิชาการสมัยใหม่ก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยพุทธศาสนาก็ถือเอาความชอบธรรมของกษัตริย์อยู่ที่กรรมดีที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนแต่ว่าถ้าเราไปดูตามพระใจปิดกนี่ คามชอบรำของผู้ปกครองอยู่ที่ไหนก็จะเห็นว่าอยู่ที่ธรรมะใช่ไหมอยู่ที่ทำทำเป็นตัวตัดสินเช่นอย่างในอคัญยสูตรนี้จะชัดมาเพราะอคัญญสูตรนี่จะพูดถึงเรื่องวันณนะต่างๆนะก็ไม่ถือว่าคือของพราหมณ์ก็ถือชาติกําเนิดเป็นตัวตัดสินชาติกําเนิดนั้น เป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพร้ม่ท่านสร้างมาอย่างนั้นท่านั้นก็ความชอบธรรมก็อยู่ที่วันละของเขาเองที่เกิดมานีพระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดอยู่ที่การกระทําแต่ว่าการกระทํานั้นเอาอะไรตัดสินกรรมที่จะถูกต้องก็กรรมที่เป็นธรรมใช่ไหมฮธรรมเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย พราะฉะนั้นในอาคญญารจะมีคาถาที่สรุปหรือข้อความทั้งร้อยแก้วด้วยที่สรุปอยู่เรื่อยๆ เ, เลยทีเดียวอะทำเป็นสูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวด า, วาจะมีข้อความนี้อยู่เรื่อยเลยหรือพุทธศาสนานี้ถือทำสูงสุดทีนี้ถ้าเราเอาตามไตรภูมิเนี่ยไตรภูมิจะไม่มีคําสอนถึงระดับนี้ไตรภูมิจะอยู่แค่เรื่อง กรรมดีที่ได้ทํไว้ในปางก่อนในคติที่ถือแบบนี้ทําให้น้มเอียงไปในทางที่ว่าไปเอียงด้านกรรมเก่าใช่จึงกระทั่งคนไทยเนี่ยนับถือเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมในความหมายแบบกรรมเก่าสมอจนบางทีกลายเป็นเชื่อแบบนิครนไปเลย mm hmm. ก็คือกลายเป็นออกนอกพุทธศาสนาเพราะว่าลทัทธิกรรมเก่าก็คือลทัทธินิครน ที่พระพุทธศาสนาติเตียนคือไม่ใติเตียนก็คัดค้านวันนี้คนก็ถือว่าอะไรจะเป็นยังไงคนจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเพราะกรรมที่ทำไวในชาติปางก่อนรัที่นี้เรียกว่าริปุเพกตะเหตุวัดพระพุทธเจ้าคานไวหลายแห่งก็มีรัที่อยู่สามรัที่ที่ถือว่าเป็นลัที่ที่ ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการกระทําก็นหนึ่งลัทธิกรรมเก่าที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นลัทธิของพวกนิครณแล้วก็สองลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบรรดาลว่าอรไรจะอะไรก็เป็นพระประเทศพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บรรดาลแล้วก็สามลัทธิแล้วแต่โชคในเมืองไทยเรานี่เราไปเน้นเรื่องกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนแม้ว่าจะเน้นเรื่องการที่ให้ พยายามทํากรรมดีกรรมชั่วเอามาโยงกับปัจจุบันนะให้คนที่นึกถึงผลกรรมที่ดีชั่วจากอดีตแล้วก็เตือนตัวเองให้ทํากรรมดีเว้นกรรมชั่วแต่ว่าไปไปม า, มาจุดเน้นไปอยู่ที่กรรมในชาติก่อนแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าคนไทยเอาหลักธรรมมาใช้ในแง่ที่ว่าให้มาหยุดสุขสบาย ชีวิตจะสบายและก็สังคมก็อยู่กันสนิสุขไม่เบียดเบียนกันในปัจจุบันก็ดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามาใช้หลักธรรมในเชิงของการหยุดนิ่งมากกว่ามากกว่าที่จะเดินหนะน้านี่เรื่องกรรมก็มาแงมาเน้นในแง่เรื่องบุญเรื่องบาป นะกรรมที่ดีเป็นกรรมที่เป็นบุญกรรมชั่วเป็นบาปให้เว้นบาปทำบุญก็อยู่ในระดับนี้นะ่ทีนี้ก็ถือว่าคนที่มาเกิดดีชาตินี้ก็เพราะกรรมดีเป็นบุญที่ทำไว้ในปางก่อนถือว่าเป็นคนมีบุญนะซึ่งมันเป็นเพียงด้านหนึ่งของพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวตัดสินที่เด็ดขาดตัวเด็ดขาดที่ทำให้กรรมนั้นมันเป็นกรรมที่ดีก็คือทำใช่ เะ น, นั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยจะชัดมากอย่างอำนาจของผู้ปกครองก็จะไปอยู่ที่ธรรมเพราะธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมก็ดูได้ในบัดนี้เลยในปัจจุบันนั่นนี่ก็เป็นตัวอย่า ง, งการที่ว่าสังคมไทยนี้เรายังก้าวมาไม่ถึงหลักการที่แท้ของพุทธศาสนานมาได้ใน ระดับหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพอมาได้ระดับหนึ่งแล้วเกิดไปยึดติดอันนั้นก็เลยไอ้ตัวการยึดติดนั้นกลับไปทวงตัวเองไว้ไม่ให้เดินหน้าต่อเพราะนั้นในสังคมไทยที่ผ่านมานี่ก็ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาของพระเจ้าลิไทยก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาตลอดความเชื่อในทางศาสนาก็อยู่ในระดับของไตรภูมิซะมาก อีกอย่างหนึ่งที่มีทิพย์ผลมากก็ชาดดกได้กับทศชาติทศชาติก็มายึดในเรื่องของชาติเป็นพระเวสสันดรที่เราเรียกว่ามหาชาติซึ่งเน้นเรื่องฐานบารมีอันนี้เราจะมีวรรณคดีที่เกี่ยวกับเรื่องมหาชาตินี้ตั้งแต่ยุคอยุทยาเลย อย่างมหาชาติคำหลวงต่อมาก็มีกาบมหาชาติแล้วก็มีประเพณีเทศมหาชาติแผ่ไปทุกถิ่นเลยทั้งภาคกลางภาคใต้ภา ค, ต, ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีไหมเรียกอะไรภาคเหนือภาคอีสานเรียกว่าทาบุญพระเวทใช่ไหมะอ่า แล้วก็ทางภาคกลางก็มีเทศมหาชาติทางภาคใต้ก็มีทางภาคเหนือเรียกว่าอะไรแต่ก็มีนั่นแหละนะฮะเนี่ยมีทิพย์ผลไปทั่วแล้วก็ใช้หลักคําสอนของพุทธศาสนาในระดับของชาดกแล้วก็มีการเทศชาดกอื่นๆในโอกาสต่างๆก็เรื่องเป็นเรื่องของศีลธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมทั่วไป จะมีคนจํานวนน้อยที่จะเข้าถึงหลักธรรมที่เป็นเรื่องของปัญญาสุขุมลึกซึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่มีนะบางยุคก็จะเอาจริงเอาจังกันก็จะมีคนจํานวนน้อยอันนี้มันก็ต้องยอมรับเรื่องของสังคมคนหมู่ใหญ่จะให้มาเข้าถึงคําสอนทั้งหมดเป็นไปได้ยากแต่ว่าว่าถึงหลักการทั่วๆไปนี่คนส่วนใหญ่ก็มาอยู่แค่ระดับนั้น ก็ทีนี้ทานที่เรามาเน้นกันในชาดกเทศมหาชาตินี่ก็ได้ผลในสังคมไทยทำให้คนไทยนี่มีจิตใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มากแล้วเราเน้นเรื่องเมตตากรุณาอยู่แล้วแล้วแถมทานนี่ก็เข้ามาเป็นคำสอนใหญ่ทีเดียวก็ปรากฏว่าคนไทยนี่มีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความพร้อมที่จะบริจาคและให้แก่กันแลเป็นคนที่ ให้อย่างมีจิตใจกว้างขวางใช่ไหมไม่ว่าจะช่วยเหลือกันทั่วไปเอือฟือแผ่กันทั่วไปหรือว่าจะบำรุงพระศาสนาเวลาทำบุญทำกุศลต่างๆก็เน้นเรื่องฐานเพะฉะนั้นเรื่องฐานในคนไทยจะเรียกว่าแทบไม่อั้นเลย เกินกระทังว่าเวลาเราพูดว่าทำบุญนี่ก็ยังจเด้นไปที่ตัวก็คือไปถวายทานไปเลี้ยงพระตาหารพระนี่แหละก็คือเรื่องทานนี่แหละและ้วก็ลักษณะที่พร้อมที่จะบริจาคให้นี่ถ้าไปเทียบกันกาคนตะวันตกเราเราจะเห็นชัดเคยยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดไทยไปตั้งในอเมริกาเนี้ยบางวัดก็มีตู้บริจาค ที่ตู้บริจาคนี้คนไทยเราไปอยู่อเมริกาก็มีฐานะดีบ้างไม่ดีบ้างเวลามาวัดจะหย่อนในตู้บริจาคนี้คนไทยจะใส่เป็นธนบัตรอเมริกันทีละห้าเหรียญสิบเหรียญหรือบางคนอาจจะยี่สิบเหรียญก็แล้วแต่แต่ห้าเหรียญสิบเหรียญนี้ก็จะมักจะทั่วไปแต่ฝรั่งมานี่จะหยอดเหรียญเดียวก็เป็นไปได้ยากนะ เนี่ยท้งทัที่ว่าคนไทยไปอยู่ที่นั่นก็ย่อมไม่ได้มีฐานะดีกับฝรั่งใช่ไหมเงินฝรั่งก็แพงเหรียญหนึ่งตั้ง20สบบาท25บ้าบาทนี้คนไทยนี่รู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินคนไทยก็จะเรียกเงินเหรียญหนึ่งว่าหนึ่งบาทใช่ไหมก็เรียกว่าบาทเดียวนีบาทหนึ่งก็คือเหรียญหนึ่งนั่นเอง นั่นจะเป็นเรื่องคล้ยๆว่าธรรมดาของคนไทยเลยที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะให้อย่างการที่ว่าอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงก็เลี้ยงกันใช่ไ้ยไปเลี้ยงกันก็แย่งกันเลี้ยงเนี่ยแย่งกันออกเงินซึ่งสำหรับฝรั่งเป็นไปไม่ได้ใช่เราก็ได้ยินคาว่าอเมริกันแชร์อะไรเนี่ยนะต่างคนต่างออก นี่ก็กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไปด้วยที่ว่ามานี่ก็เป็นเรื่องของการจะพูดห้เห็นถึงว่าคนไทยเรานี่นำพระพุทธศาสนามาใช้หรือเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นเพียงการพยายามก้าวมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแต่ว่าต้องพิจนารณาว่าก้าวไปได้แค่ไหนเพียงไรนะ เรื่องใตภูมิพระ่วงเรื่องเทศมหาชาติก็เป็นตัวอย่างในระดับสังคมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คนไทยเอาธรรมะมาใช้ในลักษณะที่ว่าพอให้อยู่สบายในลักษณะเชิงหยุดสงบนิ่งอันนี้อาจจะเป็นได้อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตรด้วยก็ได้ชีวิตที่ มีธรรมชาติแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยทําให้คนก็ไม่ยึดดิ้นรนขนขวาอยู่แล้วเนี่ยนี่ว่าธรรมะนี่มาใช้ก็เพียงเพื่อว่าให้อยู่ร่วมกันส ง, สงบสุขไม่เบียดเบียนกันก็พอใจแล้วใช่ไหมนี้ธรรมะต่างๆเหล่านี้ว่ามาใช้อ้าวอย่างสันโดษมาใช้ก็ให้สบายอยู่สบายก็พอแล้วจะสันโดษในแง่ที่ว่าจะได้เป็นพื้นฐาน ให้พร้อมที่จะก้าวไป น, นั้นเราก็ไม่หมดใช้อันนี้อาจจะเป็นเพราะาลักษณะชีวิตแบบชีวิตเกษตรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีแนวโน้มที่เป็นวงจรแบบว่าซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆอถึงเวลาหน้าทานาก็ทำมาหากินทำไล่ไถนาอะไรไปพอถึงฤดูแล้งก็ สเสวยผลใช่ไหมก็อยู่สบายพักผ่อนทีกรตีไก่แล้วก็มาสนุกสนานจะหนักไปเรื่องของประเพณีเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงจะมีพวกประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานน้มากแอ่สมัยปัจจุบันนี่พอเสื่อมลงหนักไปหน่อยก็คือว่าพอถึงหน้าแรงก็ตั้งวงเล่ากินเหล้าเมายาเนะ เป็นมากในชนบทก็ไม่กระตือรือร้นขนขวายอะไรสภาพชีวิตมันก็สบายพอสมควรพอถึงฤดูทำมาหากกินทานากระทำไปพอเสร็จงานทานาก็พักผ่อนเนีพอถึงหน้า น, านาก็ทำกันใหม่เนี่ยเราก็ใช้ธรรมะแค่ว่าเอาพอมาให้อยู่กันสบายร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันก็พอแล้ว นั่นก็ไม่มีความโน้มเอเียงไปในทางที่จะใช้ธรรมะในเชิงเป็นฐานของการก้าวไปข้างหน้านี่ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งคือปัจจัยดังด้านสภาพแวดล้อมชีวิตที่มีการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่างเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่การพัฒนาเทคโนโลยีก็อาศัยความจาเป็นในการดาเนินชีวิต อย่างคารกความขาดแคลนในการที่จะต้องหาทางดิ้นรนเพื่อจะให้อยู่ได้รอดหรือดีขึ้นทำให้พวกนี้ต้องยพยายามหาทางออกก็ทำให้เกิดการประดิษฐ์สร้างสารเทคโนโลยีได้ก้าหน้านีการที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยมันก็ค่อยๆก้าวไปทีละน้อยละน้อยมันไม่ใช่ว่าพรวดเดียวไปได้มากมายเมื่อก้าวไปทีละน้อยละน้อยเรามาดู ในคนไทยที่มีชีวิตสบายๆหนึ่งความจาเป็นบีบคั้นที่จะทำให้มาสร้างสรรค์ทำเทคโนโลยีก็ไม่มีอยู่แล้วสองถ้าใครทำอะไรได้แปลกเป็นเทคโนโลยีแบบชาวบ้านขึ้นมาได้นิดหน่อยเนะี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตื่นเต้นพอทาไปแล้วอา้าวทำแล้วกันแล้วกันเห็นแล้วก็ก็อย่างนั้น แต่ถ้าเป็นเมืองฝรั่งนี่ไอความจําเป็นมันทําให้เกิดความต้องการถ้าทําอะไรได้ใหม่นี่มันรู้สึกตื่นเต้นเลยนีมันมีความสําคัญมากแต่ในสังคมไทยคนอื่นก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่ด้วยทําได้เออทำไปนีและเสร็จแล้วถ้าหากว่าจะต้องทํามันต้องใช้ความเพียรพยายามอีกใช่ไหมก็เลยไม่อยากเอาใจใส่ อันการพัฒนาเทคโนโลยีก็เป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรนํามาพิจารณาเป็นเพียงเรื่องของตัวอย่างที่เห็นว่าปัจจัยด้านต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมเป็นต้นก็มีอิทธิพลในเรื่องของการสร้างความเจริญแบบที่เราเรียกกันในปัจจุบันซึ่งเน้นความเจริญทางด้านวัตถุอันนี้ก็เป็นเรื่องแทรก หรือเสริมจากเรื่องที่พูดมาแล้วก็เห็นจะพอสมควรนะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องสังขวั a ตุเรื่องสังขวั a ตุนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องพรหมวิหาร4ประการที่พูดไปแล้วนี้พรหมวิหารทำประจำใจของพรหม ซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ร่วมสร้างสรรค์สังคมนี้หรือว่าสร้างโลกอภิบาลโลกเนี่ยก็มี4่อย่างที่ว่าไปแล้วเมตตากรุณามุทิตาเบกขาแต่ว่าพ ม, มิหาสี่นี้ที่จริงเป็นธรรมะในระดับคุณสมบัติในใจเท่านั้ น, น ย, ยังไม่ได้ออกมาในภาคปฏิบัติการจริงๆเวลาเราพูดกันอธิบายกันเนี่ย พูดเหมือนกับว่าออกมาสู่การปฏิบัติด้วยเพราะว่ามันเนื่องกันอยู่อยู่ในใจแล้วก็แสดงออกแต่ที่จริงมันเป็นเพียงขั้นคุณสมบัติในใจที่ว่าเป็นพื้นฐานของการแสดงออกอีกทีหนึ่งการแสดงออกนี้มันไม่ใช่ตัวพรหมวิหารแหละถ้าเรามีแค่พรหมวิหารก็ได้แค่ทาทีของจิตใจแล้วก็เป็นคุณธรรมภายในนี่ท้าไม่ออกสู่การปฏิบัติเนี่ย ก็จะมีผลน้อยเหมือนอย่างว่ามาแผ่เมตตากันเนี้ยเนี่ยก็ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเป็นสุขเหมือนเรานั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาเป็นต้นขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้ยกินหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี้ฝรั่งมีฝรั่งที่มา เรียนรู้พุทธศาสนาผิวผวเผยนในแง่หลักธรรมแล้วก็มาเรียนจากพฤติกรรมของชาวพุทธบางส่วนก็ไปเขียนหนังสืออย่างในอันเบิร์ชไวเซอร์ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงทงตะวันตกก็ไปเขียนว่าโอ้ดูคำจำกัดความคำว่าทำดีในพุทธศาสนาเนี่ยทำดีในพุทธนินาก็คือเว้นชั่ว แล้วก็ให้มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็มาเห็นออกมาเป็นการปฏิบัติดะะนั้นการทำดีของชาวพุทธนี่มันไม่มีผลไม่มีการปฏิบัติในระดับสังคมเหมือนกับว่านอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งก็เป็นการทำความดีแล้วนี่นะทัศนะของอันเบอรชไวเซอร์ซึ่งโปรเฟสเซอร์แอนดัสตันโรเบิร์ตแอนดัสตันที่มา ร่วมในการก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นได้เอามาตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปัจจุบันหรือนิดาเนี่ยเนี่ยโปรเฟสเซอร์โรเบิร์ตแอน์ซัตตันเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Public Administration in Thailand แกก็ไปอ้างเอาคำของอันเบิร์ตชวเซอร์เนี่ยมา ให้เห็นว่าออพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้พัฒนาสังคมเลยการทําดีในพุทธศาสนาก็แค่ไม่ทําชั่วแล้วมีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็แค่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ่งอย่างที่ว่านะแกไม่ได้พูดใช้คํานี้แหละแต่ผมพูดเอาสาระสําคัญสรุปได้ว่าแกพูดทํานองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเอาแค่มีเมตตาอยู่ในใจแค่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ่งก็ เป็นธรรมดีแล้วก็เลยชาวพุทธก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่เป็นปฏิบัติการในสังคมใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้สังคมจเจริญพัฒนาได้อย่างไรเนะเขาก็บอกว่าพุทธศาสนาก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ขัดขวางการพัฒนาประเทศนี่เป็นทัศนะของโรเบิร์ตแอนสตนนะที่มาเป็นโปรโฟเฟสเซอร์สอนที่สอนด้วยแล้วก็ร่วมในการก่อตั้งดาเนิน ดำเนินงานของคณะรัฐประศาสนศาสต ร, ร์ที่ว่าต่อมาได้มาตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิชาพุธเองก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองด้วยการที่เขาเขียนอย่างนั้นมันก็เป็นโอกาสให้เราได้มาสำรวจตัวเองเหมือนกันที่นิชาพุธเราตอนนั้นก็มีไปโกรธสัตตันนี่ด่าทอสัตตันกันเยอะเหมือนกัน ถ้าเราไปโมัดาทออยู่ก็ไม่ได้ไประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเขาพูดผิดมาก็ชี้แจงเป็นไปได้เหตุผลได้ปัญญาแล้วก็ตัวเองก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องอย่างไรหรือเปล่าด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้บอกว่าถ้าใครมาติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปโกรธเขานะว่ากันนะแล้วถ้าหากว่าเขาติเตียนไม่ถูกก็ชี้แจงไปตามเป็นจริงว่าความจริงเป็นยังไงนะ ทีนี้ก็เราก็ควรจะสำรวจตัวเองที่จริงชาพุทธก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้บางทีการนำเอาธรรมะมาใช้ก็ใช้ไม่ครบถ้วนอย่างพรหมวิหารก็ใช้ไม่ครบหรืออย่างการเชื่อมต่อจากภาคุณสมบัติในใจออกมาสู่ปฏิบัติการนี้เราก็ไม่ค่อยชัดกันอันนี้ก็เลยเอามาพูดเรื่องว่าพรหมวิหารเป็นธรรมะที่เป็นคุณสมบัติในใจอันนี้จะทาให้เกิด ผลในทางปฏิบัติมันก็ต้องมีธรรมะอื่นมารับช่วงธรรมะที่จะรับช่วงนั้นมีเยอะแต่ว่าชุดหนึ่งที่รับกันโดยตรงเลยก็คือสังขาวัตถุนี่แหละสังขาวัตถุนี้ก็แปลว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์เนี่ยสังขารเป็นการสงเคราะห์วัตถุเป็ว่าที่ตั้งถ้าใช้เป็นภาษาไทยที่ตั้งธรรมะเป็นที่ตั้งก็คือหลักนั่นเองนะฮะ วัตถุก็คือหลักแล้วก็สังคหะก็การสงเคราะห์ทีนี้การสงเคราะห์แปลว่าอะไรในภาษาไทยเราก็จะมองว่าการสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือกันแต่ที่จริงไม่ใช่ความหมายที่แท้ในภาษาบาลีคำว่าสังขะหรือสงเคราะห์นี่แปลตามตัวแปลว่าจับมารวมเข้าด้วยกันจับรวมเข้าด้วยกันแปลว่าสังขะ ห, หรือสงเคราะห์ พอมาใช้ในภาษาไทยเราใช้ในความหมายว่าช่วยเหลือกันในี่พอใช้ความหมายใกล้กับเดิมเราก็ใช้ว่าสังเคราะห์นีที่จริงจะเป็นสังเคราะห์หรือสงเคราะห์ตัวศัพท์เดิมมันก็อันเดียวกันแต่พอมาใช้เป็นไทยและสงเคราะห์ความหมายหนึ่งสังเคราะห์ไปความหมายหนึ่งนี่สังเคราะห์ก็เป็นรูปที่ไปทางสันสกฤตบาลีเป็นสังคหะบอกแล้วว่าจับรวมจับรวมก็คือประมวล หมายถึงหลักการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนและรวมให้คนนี้อยู่มีความสามารถขีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น, นก็ทําให้คนนี้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนั่นเองนั้นสังขานี้เป็นหลักสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความมีเอกภาพขึ้นในสังคม สังคมนั้นข้อสําคัญก็คือทำไงจะให้มันรวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั่นก็เวลาพูดถึงหลักซึ่งสังเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นได้ในหลักธรรมหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ซึ่งจะมีคําชุดว่าสังคหะแล้วก็ไม่วิวาทแล้วก็สามัคคีแล้วก็เอกีภาพนีจะมาเป็นชุดเลยอย่างสารานิยธรรมเป็นต้นว่า พอมีสารานยธรรมแล้วก็จะทําให้เป็นไปเพื่อสังคหะก็คือการที่ร่วมกันนะรวมกันหรือเป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่วิวาทกันแล้วสามัคคีกันแล้วก็เป็นเอกภาพนะนั้นตกลงว่าหลักการสงเคราะห์หรือสังหาวัตถุ ก, ก็คือหลักการที่ว่าจะยึดเหนี่ยวให้หมู่ชนนี่อยู่รวมกันได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเอกภาพนั่นเองนี่การที่จะยึดเหนี่ยวกันเป็นเอกภาพนีการช่วยเหลือ น, นี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นความหมายที่ขยายออกมาก็เป็นในรองลงมาว่าช่วยเหลือกันนั่นเองสงเคราะห์แต่ความหมายแท้ก็คือว่ายึดเหนี่ยวรวมประสานประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความหมายรองว่าช่วยเหลือกันเพราะการช่วยเหลือกันนั้นจะนาไปสู่ การยึดเหนี่ยวใจกันและประสานให้อยู่ร่วมกันได้ดีทีนี้ว่าดูว่าเอาแล้วหลักการสงเคราะห์ที่ว่ายึดเหนี่ยวให้รวมกันได้เนะี่ยมีอะไรบ้างก็มีสี่ข้อก็คงจะได้ยินกันมาแล้วนะฮะว่าได้ไหมเนะีเอ า, ามีหนึ่งทานสองพิยาวาจาสามอัตจริยาสี่สมานัตตาเนะ แต่เข้าใจว่าทุกท่านคงรู้ความหมายด้วยแต่ว่ามาพูดวันนี้ก็ถือว่ารู้แล้วมาทวนท่านนั้นก็พออันนี้เราต้องการชี้เห็นว่าสังหาวัตถุนี้เป็นธรรมะภาคปฏิบัติการแล้วก็มาชี้ว่ามันโยงไปหาภาคคุณสมบัติในจิตใจอย่างไร น, นหนึ่งทานการให้ การแบ่งปันถ้าพูดในแง่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันได้วัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมนี่ทานคือช่วยเหลือด้วยสิ่งของอเราพู ด, ดว่าการให้สองปิยาวาจานี่วาจาเป็นทิรักหรือสวาจาที่เกิดจากน้ําใจรักอันนี้เป็นด้านคําพูดแหละถ้าเราจะเอาคําว่าช่วยเหลือกันมาใช้ก็จะช่วยเหลือด้วยถ้อยคํา อันที่หนึ่งนี่ช่วยเหลือด้วยเงินทองสิ่งของข้อที่สองนี่ช่วยเหลือด้วยวาจาคือถ้อยคําต่อไปสมอัธยาศิยาแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์อันนี้หมายถึงการช่วยเหลือกันโดยเรียวแรงกําลังกายเนี่ยคนจะช่วยเหลือกันมันก็มีหลักสามด้านเนี่ยนะหนึ่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของเงินทองสองช่วยเหลือด้วยถ้อยคํา 3. ช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังทีนี้ต่อไปสอันนี้ไม่เห็นเป็นการช่วยเลยข้อ4ใช่เนี่ยดูสิลองดูในพรมวิหารเนี่ยสข้อแรกจะมีลักษณะสอดคล้องกันแต่พอมาข้อ4แล้วไม่เหมือนแหละอย่างเวตากรุณามุติตานี่จะไปในแนวเดียวกันพอมาข้อ4นี่มีลักษณะพิเศษไปล้นี่ก็เหมือนกันในสังหาวัตถุสามข้อแรกเนี่ย เป็นเรื่องช่วยเหลือกันอย่างที่ว่าแต่มาข้อสี่ไม่เห็นเป็นการช่วยเหลือเลยน่ยสมานัตตาปแปล ว, ว่าความมีตนเสมอความมีตนเสมอหรือภาษาไทยที่เอามาจากบาลีก็แปลว่าสมานเนี่ยเพราะาสมานัตตาสับเองก็บอกว่าสมานะอยู่แล้วสมานัตตาสมานะอัตาาตาตาแปลว่าความหรือภาวะ อัตตาแว่าตนสมาณะแปลว่าเสมอคําว่าเสมอก็คือสมาณนะสมานะอ่านเป็นไทยว่าสมานสมานตัวนี้คิดว่าคงไม่ผิดเหรอต้องมาจากบาลีตัวเนี้สมานในภาษาไทยที่ปัจจุบันนี้เรามาแปลกันว่าประสานใช่ไหมสมานกลมกลืนกันเนี่ยจงกระทั่งว่าคนไทยนี่ ไม่ได้เข้าใจความหมายของควาว่าสมานะว่าเสมอแหละนะเวลาเห็นคําว่าสมานนี่คนไทยไม่ได้มองความหมายว่าเสมอแต่คนไทยมองความหมายว่าประสานกลมกลืนถ้าเรายอมรับว่าสมานสมานในภาษาไทยมาจากสมานะในภาษาบาลีก็แสดงว่าความหมายของควาว่าสมานะที่แปลว่าเสมอเนี่ย สำหรับคนไทยแล้วเน้นแง่ของการประสานกลมกลืนซึ่งสอดคล้องกับความหมายเดิมของภาษาบาลีที่ว่าสมานะเป็นความเสมอในเชิงประสานเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าต่างกับยุคปัจจุบันที่คนเนี่ยมองความเสมอในทางแบ่งแยกขอใช้คำว่าแบ่งแยกและแก่งแย่งคนปัจจุบันนี้มองความเสมอภาคในลักษณะแบ่งแยกและแก่งแย่ง คือจะมองได้ความรู้สึกแข่งกันหรือว่าจ้องเช่นว่าเพ่งว่าเออเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราได้เท่าเขาหรือเปล่าใช่นี่คำว่าเสมอก็คือเท่าใช่ถ้าเขาได้ห้าสิบเราต้องได้ห้าสิบถ้าเราเขาได้ห้าสิบเราไม่ได้ห้าบแสดงว่าเราไม่เสมอภาคใช่ไหมจะมีการจ้อง เมื่อจ้องก็คือตัวเองก็อยากจะได้อยากจะเอาต้องได้เท่ากันเมื่อต่างคนต่างจะเอาแล้วมองว่าได้เท่ากันจะมองเป็นลักษณะที่แบ่งแยกกันและก็แก่งแย่งกันทีนี้ลองดูความหมายของคำว่าเสมอแบบเดิมเสมอแบบเดิมที่มาจากพุทธศาสนาซึ่งใช้คำว่าสมานะ แล้วอ่านเป็นไทยวัสมานกลายเป็นประสานกลมกลืนทําไมเสมอมีความหมายเป็นเชิงประสานได้ <Yeah. S 1> ก็ดูความหมายเดิมสมานตตาตาท่านอธิบายอธิบายวัสมานตตาตาความผู้มีตนเสมอคือเสมอในสุขและทุกข์หรือมีสุขและทุกข์เสมอกันท่านอธิบายความหมายหนึ่งวัสมานสุขทุกขตาความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกัน พอสุขและทุกข์เสมอกันก็เสมอในสุขและทุกข์เสมอในสุขและทุกข์คือยังไงเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมเสมอในสุขและทุกข์นี้มีลักษณะร่วมทันทีเลยเพราะฉะนั้นแปลเป็นไทยนี่มีสุขและทุกข์เสมอกันจะแปลเป็นไทยว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ใช่ไหมเพราะร่วมสุขร่วมทุกข์นี่มันประสานทันทีแล้วหมายความว่ามีสุขก็สุขด้วยแต่มีทุกข์ก็ไม่ทิ้งกัน ความหมายแต่เดิมมามันน้อมให้รู้สึกว่าเสมอนั่นคือรวมใช่วมเพราะนั้นไปไปมามาสมาณะที่แปลว่าเสมอเนี่ยอ่านเป็นไทยว่าสมานก็มีความหมายเป็นประสานกลมกลืนไปเลยจนกระทั่งเวลานี้แล้วสมานก็จะมีความหมายต่างจากเสมอไปแล้วทางๆางที่ตัวเดิมมันคือที่มาของคำว่าเสมอแต่เพราะจนานุกรมก็คำว่าสมาณะในภาษาบาลี ที่อ่านเป็นไทยเป็นสมานก็เลยมีความหมายเป็นว่าสอดสานกลมกลืนต่างจากคาว่าเสมอไปแล้วนะอันนี้ในพระเจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนี่ไม่แน่ใจว่าจะให้รากศัพท์ที่มาของศัพท์ไว้ว่าสมานในภาษาไทยมาจากสมานะในภาษาบาลีหรือเปล่าอาจจะไม่ให้ก็ได้นะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่ารากเขาวัดแต่คิดว่าไม่ผิดสมานะสมาน สมานในไทยน่าจะต้องมาจากสมานะองภาษาบาลีนี่แล้วมันมีคำที่ชัดเจนก็ไปอ่านว่าคําว่าเสมอคือสมานในภาษาบาลีนั้นมาในคําว่าสมานตัตตามีตนเสมอกันหมายถึงความเสมอภาคแต่เป็นความเสมอที่มีความหมายเชิงประสานกลมกลืนเพราะว่าความหมายเบื้องต้นก็คือว่ามีสุขและทุกข์เสมอกัน หมายความว่าร่วมสุขร่วมทุกข์พาคนร่วมสุขร่วมทุกข์มันก็ประสานกลมกลืนแล้วใช่มมันไม่มีแบ่งแยกมาจ้องกันว่าในแง่แย่งชิงผลประโยชน์ว่าใครได้มากกว่ากันถ้าหากว่าไปแข่งแย่งผลประโยชน์แล้วมันก็ต้องแบ่งแยกกันอันนี้ความเสมอภาคคนปัจจุบันเนี่ยบางทีแทบจะนึกไม่ออกว่ามันจะมีความหมายเชิงประสานได้อย่างไรใช่ แสดงว่าไปมากแล้วถ้าเหตุที่ไปมากอย่างนี้เพราะคนปัจจุบันนั้นมีหลักการของเรื่องของความเสมอภาคอยู่ใต้อิทธิพลของรัฐทุนนิยมรัฐที่เศรษฐกิจที่สแสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลก็ทำให้แต่ละคนในเพ่งจ้องหาผลประโยชน์ของแต่ละคนความเสมอภาคก็มีความหมายมาสนองไอความต้องการอันนี้ การต้องการแย่งชิงผลประโยชน์ก็ทำให้แบ่งแยกจากกันและก็แข่งแย่งกันนะก็กลายเป็นว่าถ้าแกได้50ฉันต้องได้50ถ้าแกได้ร้อยฉันต้องได้รนะ้อยความหมายอย่างนี้ก็คือความหมายเชิงเธอ <c oughs> แข่งแย่งผลประโยชน์และแบ่งแยกแต่ถ้าความหมายแบบสมานตตา <c oughs> ก็เสมอแบบประสานที่ว่าเสมอในสุขและทุกมีสุขและทุกเสมอการร่วมสุขร่วมทุก ต่อจากนั้นยังมีความหมายไปอีกว่าที่ว่าเสมอกอารอ้าวหนึ่งไม่ดูถูกดูหมิ่นกันการไม่ดูถูกดูหมิ่นกันเป็นความเสมอชนิดหนึ่งทําให้ประสานได้ใช่ไหมพอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันมันก็ทําให้เกิดความเสมอภาคเชิงสมานเชิงประสานต่อไปไม่เลือกที่รักผักที่ชังไม่เลือกที่รักผลักที่ชั ง, ชงนี่ก็ช่วยให้คนประสานกันได้ ก็เป็นความเสมอภาคเชิงภาษาอีกเลยต่อไปไม่เอารัดเอาเปรียบกั น, นก็เป็นความหมายเชิงภาษาคนเราแม้จะช่วยกันได้ดีมีการให้การพูดดีแต่ลองไม่มีความเสมอภาคในข้อสุดท้ายเนี่ยก็รักษาสังคมไว้ไม่อยู่ใช่ไหมแตกแยกหมดนะลองเลือกที่รักผักที่ชังสินะทั้งท่าที่ทานก็ให้วาจาก็พูดดี แต่ลงเลือกเลือกที่รักผักที่ชังก็จบนะไม่สามารถรักษาความสามัคคีไว้ได้แตกแยกอีกเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายคุมหมดเลยแล้วมันก็คือการรักษาความเป็นธรรมนั่นเองถูกต้องตามหลักการใช่ไเพราะฉะนั้นสมานตตาจะสอดคล้องกับหลักเรื่องอุเบกขาเพราะรักษาธรรมรักษาความถูกต้องรักษาความควรจะเป็นรักษาความเป็นเหตุเป็นผลรักษา ตัวความยุติธรรมตัวธรรมะความชอบธรรมทั้งหมดไว้ก็เลยพูดได้ว่าหลักสังหาวัตถุสี่ประการเนี่ยสืบเนื่องสอดคล้องกันกับหลักพรมิหารสี่พรหมิหารสี่ก็อยู่ในใจออกมาเป็นภาคปฏิบัติก็สังหาวัตถุทีนี้เราก็มาดูความสอดคล้องกันเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งทานการให้ช่วยเหลือกันดนวัตถุสิ่งของและเงินทอง เราก็ช่วยเดเมตตาหนึ่งให้เดเมตตาให้ดความรักในยามเขาเป็นปกติเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเขาไม่ได้มีทุกข์มีเดือดร้อนอะไรยกตัวอย่าง บ, าบ่อยๆเช่วนว่าสมัยก่อนเนี้ยคนไทยเราเวลาทํากับข้าวอร่อยๆเป็นพิเศษเนีเราจะมีการแบ่งไปให้เพื่อนบ้านวันนี้บ้านนี้แกงนี้น ก็จะเอาแบ่งไปให้บ้านโน้นเพอวันพรุ่งนี้บ้านโน้นทํากับข้าวนี้อร่อยพิเศษก็มาแบ่งให้บ้านนี้นยอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาด้วยไมตรีเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ไปให้เขาหรืออยาวเราอยู่กันธรรมดาเนี่ยบางทีเราก็แบ่งปันให้กันทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนการให้กันอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาหรือไมตรีทีนี้สองเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนน้ําท่วมไฟไหม้ เราก็บริจาคเงินทองสิ่งของไปช่วยอย่างนี้เรียกว่าให้เด็กกรุณาใช่นี่การให้ก็ต่างไปตามคุณธรรมในใจก็คือพรหมวิหารให้เดกกรุณา 3. เขาทำความดีเขาขาดเงินขาดทองเราก็ไปให้เงินบริจาคเพื่อช่วยสนับสนุนการกระทำความดีนั้นอันนี้เรียกว่าให้เด็กมุทิตาใช่ แต่ว่าในสังคมของเรานี้ยเราจะเห็นว่าการให้ด้วยมุทิตานี่อาจจะน้อยอาการให้เด้วยเมตตากรุณานี่มากการให้เพื่อส่งเสริมการกระทําความดีนี่อาจจะเบาเป็นหน่อยแต่เดิมเราให้โดยที่ว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมและกลายเป็นเรื่องทําบุญทำกุศลเนี่ยที่ทําบุญส่วนมากเนี่ยเป็นการให้ด้วยมุทิตานะก็วัดนี้เป็นแหล่งของการศึกษาเป็นต้น เป็นแหล่งของการทําความดีและสร้างสรรค์กิจกรรมในวัดการศึกษาการให้การอบรมแก่พระสงฆ์นะกิจกรรมสร้างสรรค์ น, นี้มาอยู่ที่วัดมากเพราะว่าวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางของสังคมนั่นเราจะต้องการส่งเสริมการกระทําความดีงามหรือการสร้างสรรค์นในสังคมเราก็เลยนิยมไปบริจาคให้วัด เช่ว่าไปสร้างกุฏิก็คือที่อยู่ของกุลบุตรกุลธิดาในชนบทในชุมชนในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดซึ่งทุกคนมีสิทธิจะมาอยู่เท่านั้นหมุนเวียนกันมาอยู่ทําไมสร้างวัดกุฏิสวยงามตอนหลังคนไม่เข้าใจก็นึกว่าเอ๊ะทำไมวัดนี่สร้างพระที่อยู่ดีกับชาวบ้านชาวบ้านรอบวัดยากจนที่อยู่แย่ yeah, นะวัดนี่สร้างกุฏิสบายซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเลยเถิดไปนะเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนตัวไปพระ อยู่อย่างสบายอย่างนี้ไม่ใช่แต่ของเดิมไม่ใช่อย่างนั้นของเดิมก็คือกุฏิเนี่ยก็เป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชนนั้นเพราะวัดทางวัดเป็นสมบัติของชุมชนอยู่แล้วแล้วไม่เป็นของผูกขาดพระที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้เป็นเจ้าของวัดไม่ใช่เป็นของกุฏิเวลาสร้างขึ้นมาแล้วชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วคนในหมู่บ้านนั้นก็บุนเวียนกันไปบวชมาตั้งแต่ปู่แต่ทวด มาพ่อก็ไปบวชที่วัดนั้นมาลูกก็ไปบวชแล้วลูกไปบวชก็ไปเรียนหนังสือไปอยู่ที่กุฏิใช่ไหมก็ใช้กุฏินั้นกุฏินั้นก็เป็นสมบัติร่วมกันเขาหมู่บ้านนั่นเป็นสมบัติส่วนรวมเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เห็นความสําคัญของสมบัติส่วนรวมนี้ไอสมบัติของส่วนตัวมันก็ช่างมันเถอะแต่ว่าส่วนรวมที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันและใช้เพื่อความดีงามเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่นั้นการ ทำด้วยมุทิตานะ่ยมีมาแล้วก็คือการทำบุญที่วัดนั่นเองนะถ้าเป็นเมตตากรุณาก็อยู่ในหมู่ชาวบ้านเนี่ยตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันไปพอจะสร้างสารรค์ทำบุญด้วยให้ทานแบ่งปันให้ด้วยมุทิตาก็าจะไปส่งเสริมกิจกรรมของวัดเช่นการสร้างกุฏิที่อยู่ศาลาเป็นที่ประชุมของชุมชนใช่ศาลาการประเรียนไปที่ชาวบ้านจะมาทำกิจกรรม ของชุมชนร่วมกันนะจะมาฟังธรรมรักษาศีลนะมาอยู่ค้างคืนนะรักษาโอโบสนสะถมาเป็นที่ประชุมของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแถมเวลาสงครามก็มาประชุมกันที่ลานวัดอีกใช้เสลาวัดใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยลองดูสิตอนที่มีสงครามนะในหลวงจะยกทัพออกไปก็ต้องหาวัดใหญ่ๆนะไปประชุมกันที่ลานวัดนั่นวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน ต่อมาเราไม่สามารถเข้าใจความหมายเดิมนี้มันเพี้ยนไปหมดแม้แต่ว่าพระเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี้มีวัดเพื่อสนองความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์กับสังคมก็กลายเป็นของตัวเองเอาใจใส่แต่การที่จิตตูอยู่ตัวเองจะอยู่ให้สบายกุฏิกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยนั่นก็มีมีส่วนมีเหตุผลให้ชาวบ้านเขาไปติเตียนเหมือนกันว่าพระนี่ อยู่สบายสร้างกุฏิอยู่หรูหรานาะดีกระชาวบ้านแต่ที่จริงนั้นความหมายเดิมไม่ใช่อย่างนั้นความหมายเดิมนั้นคนไทยจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอันนั้นก็คือสมบัติร่วมกันของชุมชนหรือสังคมนะี่แล้วก็เป็นทางที่จะทำให้สังคมนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นแหล่งของการสร้างสารรค์ทำความดีเราจึงเรียกว่าไปทาบุญไปบริจาคให้วัดก็นี่แหละข้าหลักที่เรียกว่าให้ด้วยมุทิตานะ เอาละครับทีนี้ก็เป็นอ่านว่าข้อฐานให้ก็มาจากพรหมวิหารได้ทั้งเมตตากรุณามุติตาต่อไปปิยาวาจาพูดหรือช่วยเหลือกันด้วยถ้อยคำก็เช่นเดียวกันยาปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็พูดจาไพเราะอ่อนหวานเจอกันกระทักทายปราศัยพูดดีต่อการเป็นมิมตรนี่แสดงว่าปิยาวาจาพูดดีด้วยเมตตา ต่อมาเขาประสบทุกข์เดือดร้อนตกต่ำมีปัญหาเราก็ไปช่วยด้วยวาจาคือไปพูดปลอบโยนให้กำลังใจให้ต่อสู้อย่าไปทอดถอยหรือว่าเรามีสติปัญญาเราก็ใช้คำพูดแนะนำว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างนี้บอกวิธีแก้ปัญหาให้ความรู้ในการที่จะแก้ปัญหาปิยาวาจาในกรณีนี้ก็เป็นการปิยาวาจาพูดดี ช่วยได้วาจาซึ่งเกิดจากกรุณาใช่ไหมนี่แปลว่าพูดดีด้วยกรุณาแหละต่อไปเขาทำความดีเราก็ไปพูดส่งเสริมให้กำลังใจให้เขาทำความดียิ่งขึ้ น, นเขาประสบความสาเร็จในสิ่งที่ดีงามเราก็ไปพูดจา พอิแสดงความพอิยินดีด้วยส่งเสริมให้กําลังใจสนับสนุนยิ่งขึ้นไปนี่แสดงว่าพูดดีด้วยมุทิตาใช่ไหมก็ครบแหละปิยาวาจาก็มาจากเมตตาก็ได้กรุณาก็ได้มุทิตาก็ได้ต่อไปอัรเจริยาบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือได้เรียวแรงกําลังอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขา อ, อยู่เป็นปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเราก็ช่วยเหลือมีแรง กำลังนะ่ะก็มาช่วยกันนะยกขา่ายกของให้ยกเก้าอี้ให้อะไรอย่างงี้นะก็เหมือนอย่างกับเพื่อนเรานี่แหละเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเดินไปได้กันเขาถือของหนักกว่าเราแล้วนะเขาไปคนเดียวเราไม่ไปด้วยเขาก็ถือไหวแต่เราไปด้วยมือเราว่างกว่าเราก็เออเดียเด๋ยวเดี๋ยช่วยถือแบ่งเบาเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยกันดว้วยเมตตาใช่ไหมก็สละแรงงานของเราให้แกเขา ต่อมาคนอื่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อ น, นตกน้ำํำว่ายน้ําไม่เป็นเราแข็งแรงว่ายน้ําเป็นด้วยเราก็สละเรียลแรงกําลังของเราโดดน้ําลงไปช่วยช่วยคนตกน้ํานี่แสดงว่าอัจริยาด้วยกรุณาและบําเพ็ญประโยชน์นเอาเรียเรียแรงช่วยด้วยกรุณาต่อไปเขาทําความดีกันทําความดีสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์นเราก็ไปช่วย เอาแรงเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างสมัยโบราณ น, นี้บอกแล้วว่าวัดนี่เป็นศูนย์กลางของสังคมนะเป็นแหล่งที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเวลาสร้างกุฏิก็คือสร้างที่อยู่อาศัยของทุกคนที่จะได้ไปบวชไปเรียนนะไปเรียนคนละสามเดือนได้ใช้กุฏินั้นกันมาอย่างนี้เป็นตน้นนะีอันนี้พอเขาสร้างกุฏิกันนี่ชาวบ้านจะไปสละแรงไปช่วยกันในกรณีนี้การที่ไปสละแรงงานเอาแรงงานไปช่วย ก็เป็นการสนับสนุนการทำความดีในกรณีนี้เรียกว่าช่วยด้วยมุทิตาใช่ไมค้ัไปช่วยสร้างกุฏิไปช่วยขุดบอ่อน้ำหรืออย่างประเพณีประจำปีก็คือขนสายข้าวัดการที่ชาวบ้านไปสละแรงงานช่วยขนขายขนสายข้าววัดก็เป็นการช่วยอัจริยาด้วยมุทิตานี่เป็นตัวอย่างตกลงครบแล้วนะฮะสังขาวัตถุเป็นภาคปฏิบัติการในสังคม ชัดเลยแล้วก็เอาไปคูณกับพรหมวิหารในใจสามข้อแรกทานให้ปิยาวาจาพูดดีแล้วก็อัดสามอัตถจริยาการช่วยดีเรียวแรงกำลังบำเพ็ญประโยชน์แล้วเอาไปคูณกับพรหมวิหารเมตตากรุณามุ้ทิตาแสดงออกอย่างละสามเป็นเก้าสถานการณ์นะเก้าสถานการณ์ออกมาแล้วนะเป็นอันว่า ทานให้ด้วยเมตตาก็ได้ให้ด้วยกรุณาก็ได้ให้ด้วยมุทิตาก็ได้พิยาวาจาพูดดีด้วยเมตตาก็ได้พูดด้วยกรุณาก็ได้ด้วยพูดด้วยมุทิตาก็ได้อัธยาจริยาเอาแรงกายเข้าช่วยบำเพ็ญประโยชน์ทําด้วยเมตตาก็ได้ด้วยกรุณาก็ได้ด้วยมุทิตาก็ได้ใช่ไหมก็แปลว่าเก้าสถานการณ์และสอดคล้องกันหมดนี่ต่อไปข้อสี่สมานตตา แปล ว, ว่าความมีตนเสมอนี่บอกแล้วต้องอาศัยอุเบกขาเป็นสำคัญสามข้อแรกนี่เป็นการปฏิบัติต่อกันให้ก็ให้แก่กันปิยาวาจาก็พูดต่อกันแล้วอัจริยาก็เอาแรงกายมาช่วยต่อกันอีกแต่พอข้อสี่สมานัตตานี่เอาตัวเข้าคลุกเลยเนเอาตัวเข้าร่วมเลยข้อสี่จึงมีลักษณะต่างไปไม่ใช่ต่อกันทั้้วเข้าร่วมเลย ข้อ4นี้เข้าร่วมแต่ว่ามีลักษณะก็คือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคแต่เป็นแบบประสานอาศัยอุเบกขามาช่วยที่จริงมันข้อหนึ่งสองสาเมตตากรุณาผู้ติตามมาเสริมสมานนตตาได้หมดแต่ตัวที่เป็นหลักสำคัญเป็นฐานก็คืออุเบกขาเพราะมันเป็นตัวรักษาธรรมะเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมความเสมอภาคนี้ต้องอาศัยความเป็นธรรมใช่ อย่างที่บอกแล้วว่าอ้าวก็มีทุกข์อ้ามีสุขก็สุขด้วยกันแล้วเวลาทุกข์ไปทิ้งกันนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมฮะเนี่ยทีนี้พอเราเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยร่วมสุขร่วมทุกข์ก็มีความเป็นธรรมก็เสมอภาคก็ประสานกันแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เลือกที่รักทักที่ชังเนี่ยไม่ใช่ว่าเออคนโน้นแล้วก็ให้พิเศษแต่คนนี้ไม่ให้อะไรอย่างเงี้นะ หรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไรก็เข้าค่าคนนู้คนนี้เลือกที่รักผักที่ชังนั่นก็ก็เสียความเสมอภาคเสียสมานตตตาแล้วก็ไม่ดูไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยพอว่ามีความเสมอภาคแบบนี้แล้วมันก็เข้ากันได้หมดนั้นสมานตตตาความมีตนเสมอก็ทําให้เข้ากันได้กลมกลืนเลยความเสมอภาคจึงเป็นเรื่องของความประสานกลมกลืนอย่างที่ว่ามันนี้นีก็สอดคล้องกันหมดแล้วนะฮะเป็นอันว่า นี่คือหลักสังหาวัตถุหลักการสงเคราะห์สี่ประการซึ่งเป็นภาคปฏิบัติการไปสืบเนื่องรับกันกับคุณธรรมในใจสี่ประการที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่นั้นถ้าไม่มีสังหาวัตถุสี่พรหมวิหารก็อยู่แค่ในใจก็ไม่ออกผลต่อสังคมเท่าที่ควรแต่ถ้าไม่มีเมตตากรุณามุญทิตาเบกขาเป็นพรหมวิหารอยู่ในใจสังคหาวัตถุสี่ประการที่เป็นภาคปฏิบัตินี้ก็จะ หนึ่งเกิดขึ้นได้ยากใช่มมันไม่ค่อยเกิดขึ้น่ะทีนี้จะทำให้เกิดขึ้นทำยังไงก็ต้องมีแรงจูงใจอื่นเช่นว่าทานนี่การให้ไม่เกิดจากเมตตาไม่มีเมตตาความรักหรือการุณาความสงสารอยากช่วยเหลือมาเป็นแรงจูงใจและทำไงจะให้ก็ต้องกลายเป็นแรงจูงใจอย่างอื่นเช่นอยากจะได้หน้าได้ตาเอาละสิใช่ม นี่ต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นแล้วกลายเป็นว่าให้เพราะว่าอยากได้หน้าได้ตาหรือมีผลประโยชน์ตอบแทนหวังผลประโยชน์จากเขาระยะยาวเน่เสียน้อยจ่ายน้อยเพื่อให้ได้มากหรือว่าหวังได้ผลตอบแทนเป็นยศเป็นเงินตราเป็นเหรียญตราอะไรงี้ตต้นใช่ไหมเป็นอันว่าถ้าไม่มาจากพรหมวิหารเป็นคุณสมบัติเป็นฐานอยู่ในใจแล้ว ภาคปฏิบัติการในสังคมหนึ่งเกิดขึ้นได้ยากสองถ้าเกิดขึ้นไม่จริงใจใช่ไหมเมื่อไม่จริงใจไม่พอดีถ้ามันเกิดจากคุณธรรมมันจะพอดีใช่ไหมเออเขามีสถานการณ์อย่างนี้เราก็ให้เขาแล้วมีอุเบกขาไปคุมว่าให้อยู่ในเหตุในผลแต่เพราะว่าเช่นว่าให้โดยแรงจูงใจต้องการผลตอบแทนหรือต้องการได้หน้าได้ตาเนี่ยมันจะไม่ให้ชนิดพอดีหรอกใช่ไหม เอออันนี้ได้หน้าได้ตาก็ให้ให้จกนกระทั่งว่าเกินที่ควรจะให้นะทีนี้ไอ้ที่ไม่ได้มาหน้าได้ตาก็เลยไม่ยอมให้จะให้นิดๆหน่อยๆนี่ถ้าให้ไดเมตตากรุณามุติตาเบขาไม่ทําอยู่ในใจแล้วพอดีเลยใช่ก็แปนว่าเกิดขึ้นได้ยากและเกิดขึ้นแล้ไม่จริงใจแล้วไม่มั่นคงเมื่อใดที่ตัวไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นต้นก็ไม่ช่วยไม่มีสังขาวัตถุออกมาใช่ นั้นจะวิปริตไปหมดไม่สามารถจะดำรงสังคมนี้ให้อยู่ได้ดีได้นั้นจึงเป็นความจาเป็นจะต้องประสานกันระหว่างคุณธรรมในใจกับปฏิบัติการในสังคมถ้ามีแต่คุณธรรมในใจไม่ปฏิบัติการทางสังคมมันก็ไม่เพียงพอที่จะให้สังคมนี้อยู่ดีแต่ถ้าปฏิบัติการในสังคมไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจก็อย่างที่ว่าแล้วมันจะไม่จริงใจไม่มั่นคงยั่งยืนไม่พอดีและก็ แถมเกิดขึ้นได้อยากด้วย น, นั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องของความประสานสอดคล้องของคุณธรรมนะที่ว่าต้องมีทั้งภาคที่อยู่ในใจเป็นคุณสมบัติแล้วก็แสดงออกเป็นภาคปฏิบัติการนี่ก็เป็นตัวอย่างที่รับกันของธรรมะสองชุดซึ่งมีจํานวนเท่ากันเลยก็เห็นจะพอสมควรนะเรื่องสังขาวัตถุมีอะไรสงสัยไหมฮะ ยังไม่กระจ่ า, จางเกี่ยวกับนะ อ, อุเบกขาไปเข้าในก็อุเบกขาเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมไงใช่ไหมเป็นตัวรักษาดุลอยู่แล้วให้พอดีถ้าไม่มีอุเบกขาตัวรักษาความเป็นธรรมไอความเสมอภาคไม่มีแล้วใช่ไหมรัดคนนี้มากให้คนนี้มากช่วยคนนี้มากเอคนนี้ไม่ก่อชอบก็เลยเนี่ยกลายไปว่าคนนี้ ถูกละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควรคุณอาจารย์ครับผมเสนอว่าถ้าครูเบกถามมองไปในแง่ของตัวทานปิยวัจจาหรือไอ้สามข้อแรกเนี่ยมันก็เป็นตัวสร้างสมดุลด้วยเพราะว่ามันเป็นแท้ๆเราเป็นขอบเขตว่าไม่ให้มันมากไม่ให้มันน้อยเกินใช่ใช่แน่นอนแหละถูกด้วยคุมหมดแต่ทีนี้หมายถึงว่าตัวรับกันในเชิงปฏิบัติการตัวไหนที่เด่นตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่น หมายควาตัวแสดงออกที่เด่นเนี่ยมันอยู่ที่ข้อไหนคือฐานนั่นเองฐานในใจที่มาแสดงออกตัวไหนเป็นตัวหลักให้เมตตากรุณาปฏิตานีนก็มาเด่นที่ทานปิยาวาัจจารถเจาเพราะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันทีนี้พอมาอยู่ร่วมกันที่จะให้ประสานกลมกลืนเนี่ยมันจะหนักที่ความเสมอภาคความเป็นธรรมถ้าเสียความเป็นธรรมเมื่อไหร่ท า, ท, าทางที่ช่วยกันดีเนี่ยไม่อยู่นะใช่ไหมไปทันทีเลย ลองเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่เสมอภาคนะเรื่องที่รักผลักทิชชังปั๊บเนี่ยถึงแม้จะพูดดียังไงก็ไม่อยู่ใช่ไหมความสามคัคคีไม่อยู่แตกทันทีดังนะั้นอุเบกขาจึงเป็นตัวที่คุมเรื่องสมานาตาัตตาอย่างสําคัญความเสมอภาคก็คือตัวรักษาความเป็นธรรมคือในบางครั้งเนี่ยผมว่าผมลองมองพิจารณาเปรียที่ว่าเคยมีจากดวงตะวันต ก, กมา ม, มีความรู้สึกว่าถึงแม้เระเรียกเขาว่าชาวทิศใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขมีความเป็นพุทธะมากกว่าคนไทยในบางข้อยกตัว huh. อย่างเขาพุทธิตา uh huh. เพราะหรังนี้เข้าใจเขาพุทธิตาจะ ไ, ได้ค่อนข้างจะชัดเจน uh huh. และในภาคปฏิบัติเนี่ยเขาก็ทําได้จริง uh huh. นะยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาของเขาในการตอบแทนนักกีาเขาเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีดได้ชื่อเสียงซ uh huh. ึ่งเขาเป็นยุติธรรตรงแค่ ร, ร, ระดับตรงนั้น uh huh. แต่กรุงสังคมไทยเนี่ยเราไม่ใช่เรารู้สึกเราเราจะพุทธิตาเลยสักอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็ผมให้จนกระทั่งแบบร้าเลยขอบเขตไปแล้วก็นาเดียวกนสําหรับคนที่เราหมั่นไส้เราปิดฉากเนี่ยเราก็ผ่านที่จะไม่ใช้มุติตาเลก็เลยพี่ทัพจริงๆแล้วเนี่ยเออสัมพงไทยเราคนรจะต้องหันกลับมาเน้นเรื่องการใช้มุติตาเนี่ให้เหมาะสมก็เคยพูดบ่อยอยู่แล้วบอกว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยก็เน้นเรื่องเมตตากรุณาใช่ไหมจนกระทั่งคําว่าเมตตากรุณามาเป็นคําสามัญในภาษาไทยก็หมายความว่าในหลัก พรมิหารสีนี่เราใช้สองข้อแรกมากแต่มุทิตานี่เราถ้าไม่พูดถึงเพิ่งจะมาใช้ในการแสดงออกก็กลายเป็นพิ ธ, ธีกรรมเป็นรูปแบบไปเป็นเพียงแสดงออกเท่านั้นเองใช่ฮะเป็นแสดงออกในเชิงสังคมเนะไม่ได้หน้าได้ตาบ้างอะไรบ้างบางทีไปแสดงมุทิตาให้เงินนี่ไม่ใช่ว่าโดยใจจริงหรอกเนะไปแสดงเอาหน้าเอ า, า, เอ า, าตาใช่หมเนยะ ไม่ใช่มุติตาที่เป็นธรรมะในใจมันกลายเป็นเอามุติตามากลายเป็นการปฏิบัติการทางสังคมไปแล้วผิดด้วยศัพท์เนี่ยไม่ถูกถูกไหมพิธีมุติตาจิตเนี่ยเอาขอไปให้มุติตามันเป็นคุณธรรมในใจไม่ใช่ไอ้ที่ไปให้น่ะมันเป็นการทานเลยใช่ไหมใช่เอาเงินให้เอาขอไปให้เนี่ยเป็นทานถูกไหมแต่ทานนั้นเกิดจากมุติตาแต่กเกิดจากมุติตาจริงหรือเปล่าต้องไปดูในใจแล้วเกิดจากใจยินดีส่งเสริมหรือเปลา่าถูกไหม นั่นที่ไปให้นั่นที่บอกว่ามุทิตานั้นไม่ได้แน่เป็นเพียงพิธีกรรมแต่มุทิตามันอยู่ที่คุณสมบัติในใจทีนี้ว่ามันอาจจะเป็นการขาดตอนอย่างหนึ่งในสังคมไทยหรือเปล่าคือเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างแล้วว่ามุทิตาสมัยก่อนเนี่ยเพราะสังคมไทยเรามีศูนย์กลางอยู่ที่วัดวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการทําความดีสร้างสารรค์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมก็ไปเด่นอยู่ที่วัดใช่ไหม อย่างที่ว่าจะสร้างที่เราเรียนศึกษากุติให้ผู้เ่าเรียนก็คือพระใหม่ไปอยู่เลยเนี่ยมันก็อยู่ที่วัดทั้งนั้นดังนั้นคนก็เลยไปให้เงินบริจาค ก, กันที่วัดเพื่อไปสร้างสรรค์ทมอะไรต่างๆสนับสนุนความการสร้างสรรค์ความจเจริญก้าวหน้าของชุมชนไปทําที่วัดเราเรียกกันว่าการทําบุญอย่งว่าเวลาต่อมาคำว่าทำบุญนี่ก็มีความหมาย เหลืออยู่แค่ว่าได้ผลตอบแทนของตัวเองคือทําบุญแล้วตัวเองก็หวังว่าจะได้ไปเกิดดีไปสวรรค์อะไรต่างๆไอความหมายในเชิงที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันวัดที่จริงก็คือการไปสนับสนุนส่วนรวมของเราที่วัดเนี่ยให้ได้มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปถูกไหมอฉนนั้นตอนนี้กิจกรรมเดิม แนวทางการสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของการแสดงออกของมุนทิตาเนี่ยมันก็เลยค่อยๆเลือนหายทั้งความหมายทั้งกิจกรรมด้วยถูกไหมเพราะคนปัจจุบันก็ไม่รู้แล้วว่าที่วัดเนี่ยที่เราไปบริจาคเนี่ยก็คือการไปร่วมกันสร้างสรรค์ทํ า, าทความดีอย่างไรถูกไหมเนะีมันเลือนหายไปหมดแล้วเพราะนั้นทีนี้มันก็เท่ากับเริ่มมาตั้งต้นใหม่เพราะสังคมมันย้ายออกมาจากวัดแล้วนี่พมาสังคมส่วนข้างนอก มันขาดตอนเลยไม่รู้จะแสดงมุติตากันยังไงแหละคนไทยก็เควงคว้างเลยไอ้คําว่ามุติตาเดิมมันไปอยู่ในรูปของการคําว่าทําบุญใช่ไหมเนี่ยส่วนปัจจุบันนี้มันหายไปทําบุญก็ความหมายก็กลายไปแล้วส่วนมุติตาก็คํานี้มันก็ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วพอมาใช้ก็ใช้สักแต่ว่าเป็นพิธีไปเลยอ่าก็ทีนี้ก็ในเมื่ออามาใช้แล้วก็ทําไงเราจะให้ พิธีมุติตาที่เป็นเรื่องเชิงสังคมเนี่ยกลับมาเป็นตัวกระตุ้นเล่าให้เกิดมุติตาที่แท้ใน จ, จิตใจขึ้นได้ถ้าทําได้อย่างงี้ก็ใช้ได้ก็เป็นอันว่าจะต้องมาหนุนกระตุ้นให้คนไทยนี้มีพรหมวิหารให้ครบสี่ข้อไม่ใช่มาหนักอยู่แค่เมตตากรุณามุติตาก็ต้องเสริมขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมอุเบกขานะ พอถึงแม้มีมุทิตาและแต่อุเบกขายัางไม่มีก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาพรหมวิหารนี่มาเชื่อมต่อโยงเข้าหาสังขวัตถุให้เป็นปฏิบัติการในสังคมด้วยนะฮะพระเดชพระคุณอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตจากคุณธท ร, รมสามหมวดที่พระเดชพระคุณอาจารย์ได้เตาแสดงมาสาวันนะฮะตั้งแต่เรื่อง 4, พิปาทศีลพรหมวิหารศีลแล้วก็สังขา สังเกตว่าข้อสี่นีนะครับในข้อในเป็นซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในหมดธรรมแต่ว่าหมดนะครับเป็นข้อที่เน้นเรื่องปัญญาอยู่เสมอเลยใช่ปัญญาเป็นตัวคุมเนี่ยพุทธศาสนาจะเน้นปัญญาข้อสุดท้ายธรรมะหมดไหนมีศรัทธามาศรัทธาจะมาเป็นตัวต้นแล้วจะต้องมีปัญญามาคั่วปิดท้ายทุกทีใช่ไหมแค่ดูเลยว่าศรัทธามาที่ไหนปัญญาจะมาที่นั้นแล้วก็ปัญญาจะเป็นตัวสุดท้าย แล้วลักษณะเช่นี้ก็อย่างที่ไมื่อเดืคืออาจารย์พยายามจะเน้นอยู่ตลอดก็คือต้องใช้ธรรมะชุดก็ใช่สิเพรา ะ, ะคนไทยเร า, เาธรรมะมันกระจัดกระจายหมด <c oughs> มก็เป็นข้อเสียเป็นการบิดพลาดแล้วพอจัดหลักสูตรกระารศึกษาก็มายิ่งแยกหนักขึ้นไปอีกมาเอาธรรมะเป็นตัวๆเลยแล้วมาเลือกเอาแต่ละตัวและตัวจะเอาตัวไหนเอาเมตตาไปเนี่ยแล้วก็ เขา อ, อื่นก็อาจจะไม่เอาเลยหรือเอาการุณาไปด้วยแต่ไม่พูดถึงเขา อ, อื่นนะธรรมะก็แตกกระจัดกระจายหมดเสียระบบแล้วมาถึงยุคนี้ก็บอกว่าเออที่ผ่านมานี่วิชาการแนวความคิดอะไรต่างๆนี่มันเป็นความคิดแยกซอยแบ่งส่วนไปหมดนะแยกส่วนแบ่ง่อย ต้องเป็นระบบบูรณาการมีดุนยภาพเป็นองค์รวมอะไรต่งตางๆพูดกันเยอะแต่ไม่ได้มาดูว่าที่จริงอนะตัวเองก็ยัง <Yeah. S 1> ชอบแบ่งแยกส่วนอยู่นั่นแหละใช่ไหม <Yeah. S 1> กษัตริย์แต่ว่าเป็นความนิยมของยุคสมัยที่จะบูรณาการจะเป็นองค์รวมดุนยภาพแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่รู้จุดว่าอะไรบ้างที่จะต้องเป็นองค์รวมในแต่การพิจารณาเรื่องชีวิตคนเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาเลย ก็ยังมองกันไม่ค่อยออกว่าองค์รวมนั้นอยู่ที่ไหนบุรณาการอะไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มันเป็นหลักธรรมที่ออกมาจากพื้นฐานคือการมองความจริงของชีวิตแล้วก็มาดูว่าทำไงชีวิตจะดาเนินไปได้ดีสอดคล้องกับความเป็นจริงก็มาวางเป็นระบบมันก็เป็นระบบที่สอดคล้องกับชีวิตซึ่งเป็นระบบ ชีวิตของคนมันเป็นระบบอยู่แล้วการำดำเนินชีวิตก็ตามตัวชีวิตก็ตามเป็นระบบทั้งนั้นนั้นธรรมะที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะใช้ในชีวิตมันก็เป็นระบบทั้งมันมันเป็นตั้งแต่ระบบใหญ่คลุมทั้งหมดเรามองที่ธรรมะไหนก็เป็นระบบหมดใช่ไหมว่าอาริยสัจสี่ก็ระบบ่ใช่ไหมมาซอยมาเป็นภาคปฏิบัติเฉพาะในข้อสี่ของมรรคก็เป็นระบบใจสิกขาอีก ในใจสิขาแยกย่อยไปแต่ละอย่างก็เป็นระบบอย่างพร ม, มิหารสี่ก็เป็นระบบย่อยระบบซอยไปก็มีระบบย่อยๆยยยไปเอามั่งนะฮะ